เราก็สวดมนตนะ์มนในที่นี้นะหมายถึงคำสอนพื้เจ้านะไม่ได้หมายถึงมนตราที่มันขังมันศักดิ์สิทธิ์อะไรนะสวดเพื่อเตือนใจนะไม่ใช่เตือนใจให้มีศรัทธาในพระตนตรายเท่านั้นแต่ว่า เพื่อให้ได้ระลึกถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นหรือว่าตามติดเราไปตลอดเวลาหลนทั้งความจริงของโลกและสิ่งรอบตัวที่เราต้องเกี่ยวข้องให้ถูก เ, เกี่ยวข้องให้ถูกในที่นี้ก็มีทั้งการ ปปฏิบัติกับสิ่งนั้นแล้วก็การวางใจด้วยการวางใจหรือการมีท่าทีที่ถูกต้องกับสิ่งนั้นซึ่งสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องนะเมที่สุ ก, ก็คือกายกับใจนะกายกับใจนี่แหละ ทุกเช้าเนี่ยก็จะย้าเตือนว่าเนี่ยการเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะแก่แล้วก็อับเกิดแล้วก็แก่แล้วตายนี่ยืนพื้นเลยนะส่วนป่วยนั้นเนี่ยก็อาจจะบางคนก็าจะไม่ป่วยจนตายไปเลยก็ได้หรือไม่ทันจะป่วยก็ตายซะแล้ว แต่ความป่วยก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะความโศความร่ำรารลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครั่แค้นใจก็เป็นทุกข์แตความไม่สบายกายนี้ก็คือความป่วยนั่นแหละแต่ฟังเท่านี้นี่ก็ไม่ใช่ฟังเพื่อให้ ให้หดหูเศร้ามองนะว่าโอ๊ความทุกมันตามติดเรามานะตั้งแต่เกิดความเกิดเป็นทุกข์นะอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าความเกิดเป็นทุกข์แต่ก็ไม่แปลว่าเกิดแล้วจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปนะเกิดแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้ ความแก่เป็นทุกข์แต่ถ้าแก่แล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นี่หมายถึงไม่ทุกข์ใจนะความแก่ความเก็บความตายนี่มันเป็นความทุกข์ของของสังขารโดยเฉพาะฝ่ายรูปนะร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วนี่มันก็แก่ ที่มันแก่ก่อนที่จะเกิดด้วยซ้ํา น, นะเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยนะก็ยังไม่ทันเกิดมาเลยเนะี่ยแต่เขาก็เรียกว่าแก่แล้วล่ะนะเด็กเก้าเดือนก็แก่กว่าเด็กสี่เดือนเด็กสี่เดือนก็แก่กว่าเด็กสามเดือนนะเพียงแต่ว่ายังสมมุติกันว่ายังไม่เกิดนะ เขาคำว่าเกิดเนี่ยเราก็จอดจงมาตอนที่ออกจากท้องแม่แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อยังไม่เกิดขณะที่ยังอยู่ในท้องแม่นี่ไม่แก่เนะยก็แก่ไปแล้วเ9เดือนก็แก่กว่า8เดือน8เดือนก็แก่กว่า7เดือนคราวนี้เนี่ย คนเราเนี่ยแม้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์เสมอไปไอ้เรื่องทุกข์กายนี่มันก็มันก็เป็นไปตามธรรมดาของของรูปของสังขารนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอารหันเนี่ยนะท่านก็หนีความแก่ไม่พ้นแต่ว่า ใจทําไม่ได้ทุกข์ด้วยนีความป่วยไม่พ้นแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์รวมทั้งเวลาตายก็ไม่ได้ทุกข์อะไรก็เพียงแต่เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารเนี่ยที่ต้องแตกดับไปมี ผู้หิงหลายคนก็เขียนปุจฉามาถามว่าการที่เขาทำให้ลูกเกิดมาเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เมื่อให้ลูกเกิดมาก็ทำให้ก็หมายความทำให้ลูกต้องมาเผชิญกับความทุกข์มันจะถูกต้องไหมบางค น, นก็ถามว่ามันจะบาปไหม ที่ทำให้มีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกแล้วต้องมาเจอกับความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายนะก็ต่อบได้ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนว่าเกิดมาแล้วนี่ไม่ทุกข์ก็ได้นะไม่ต้องแก่ก็ไม่ทุกข์ก็ได้นะ ที่จริงเนี่ยถ้าไว้เลี้ยงเขาดีๆนะเขาเป็นคนดีเขาสามารถทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและตนเองได้ครูจ้าต่าว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นีะเป็นของยากนะเป็นของยากนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครไม่ว่าไม่ว่าสัตว์ใดจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนะี่ยมันก็ทําได้ทั้งนั้นไม่ใช่ แล้วเกิดมาแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ก็ได้แล้วโดยเพราะการเกิดเป็นมนุษย์หรือพบภูมิมนุษย์เนี่ยนะมีโอกาสที่จะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ได้มากเพราะมนุษย์เรามีสติปัญญานะมีความสามารถพวกงี้มีศักยภาพครบในการที่จะพาจิตพาใจใพ้นจากความทุกข์ได้ นี่จะไปคิดว่าเมื่อทำให้มีคนคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้แล้วนี่แล้วเนี่ยมันจะหมายถึงการทำให้เขามาตกแลักกลัมลบากสมอไปกาเรเลี้ยงเขาดีนะเขาก็จะได้พบพระธรรมพบหนทางในการที่จะนะพัฒนาตนหรือว่าเข้าถึงสิ่งวิเศษสิ่งประเสริฐ ที่ยากจะเข้าถึงได้เป็นสภาวะที่แม้กระทั่งเทวดามาพรพลมก็ทำไม่ได้นะคือทำได้ยากมากก็คือการพ้นทุกขนะ์หรือการเข้าถึงพณิพภานนะในภพอื่นเนี่ยแม้กระทั่งเทวดามารพรมนี่ยากนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพพร้อม อยู่ที่ว่าจะใช้ศักยภาพนั้นเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสนองกิเลสหรือเพื่อเอาชนะกิเลสเอาชนะตัณหาอุปาทานงนั้นมองมอญนแง่หนึ่งการที่ทำให้คนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาส บรรลุธรรมเป็นภริยาบุคคลก็ได้อย่างพระนางสุริม ah nih, าามายานี่ถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งคัน nih, นะี่หรือไม่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถากเกิดออกมาก็ไม่มีพระพุทธเจ้านะบางครั้งการสาเหตุแห่งการตั้งคันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะอย่างเช่น ภรรยาของพระสุทินยนะไปมีเพยสัมพันธ์กับพระสุทินจนกระทั่งมีลูกมาพระสุทินนี่ก็ตอนหลังก็ต้องข้าหาปราชิกนะเป็นต้นบัญญัติเลยนะมีชื่อจารึกไว้ในปริสาเป็นพระรูปแรก ท, ท, ที่ที่ทำอันนี้แต่ไม่ถือว่าปราชิกนะแต่ว่าไปเพราะเป็นต้นบัญญัติตอนนั้นยังไม่มีการบัญญัติว่าภิกษุห้าม เศษเมถุนนะนั่นจะเรียกว่าท่านต้องปาราชิกก็ไม่ถูกนะถือว่าเป็นต้นบัญญัติต้นบัญญัติของปาราชิกข้อแรกก็มีชื่อเสียงในทางก็มีชื่อเสียงในทางไม่ดีนะแต่ว่าลูกที่เกิดมานะตอนหลังก็ได้บวช ได้ออกบวชและภายหลังก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์แม่ก็เหมือนกันนะแม่ซึ่งมีส่วนร่วมในการาทำให้เกิดเหตุการ์เฉ า, ชาโชในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยตอนหลังก็บวชนะบวชพระบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เหมือนกันมีแต่พระสุทินที่ไม่ได้ ตั้งทีตั้งใจบวชเพื่อที่จะบรรลุธรรมอันนี้ก็ชี่เห็นว่าการที่ทำให้คนคนหนึ่งเกิดมาในโลกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้เขามาตกหำลกกรรมลบากหรือว่ามีความทุกข์มากขึ้นหรือเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่เขาเนะแต่มันสามารถจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาพ้นทุกข์ได้เพราะถ้าเขาไม่เกิดมาใน เป็นมนุษย์นะในโลกนี้ก็ยากนะยากที่จะมีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้แล้วเพราะนั้นไงก็ให้เราเข้าใจว่าเมื่อเมื่อเราสวดมนต์ว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์แมนะ้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตาก็เป็นทุกข์ไม่ได้แปลว่าตรวจมาแล้วจะต้อง จะต้องเป็นทุกข์เสมอไปโอกาสที่พ้นทุกข์มีแม้แก่กนะ็ไม่ได้แปล ว, ว่ามันจะเป็นทุกข์เสมอไปแต่ความแก่มันสามารถจะเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นวัตถุ ด, ดิบก็ได้นะในการทําให้พ้นทุกข์ก็ได้นะอย่างในสาสนาพุทธกานก็มีภิกษุณีรูปหนึ่งแก่มาก เดินก็ก็ย่องก็แย่งต้องมีไม้เท้าเดินแต่ละทีก็ก็ลำบากมีทุกขเวทนาแค่งขาจะขยับทีนึงก็โอดมันก็มีเหมือนกับว่าปวดปวดตลอดเวลาที่เดินก็มีช่วงหนึ่งบอกกัว่าเกิดพลาดท่าล้มนะล้มนีนตัวก็กระแทกก็แทกกับพื้นก็ปวด ปวดมากแต่นในช่วงนั้นเนี่ยก็ตั้งสมีสติได้ได้คิดแล้วโอสังขารนี่เป็นทุกข์มากเหลือเกินสังขารเป็นทุกข์มากนะทั้งความแก่ทั้งความปวดมันไม่นายึดถือเลยนะพอได้คิดอย่างนี้ยปัญญาก็เกิดเลยนะเห็นเห็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังเลยเพราะทุกขัง จิตก็หลุดพ้นเลยนะจิตก็หลุดพ้นนะเป็นพระรหันตนะ์ก็จากการที่ได้เห็นความแก่ความปวดนี่แหละนะนั้นคือถ้าร่างกายยังดีอยู่นะยังเดินได้คล่องแคล่วนะไม่เจ็บไม่ปวดนี่ก็ยังไม่บรรลุธรรมนะหรือว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็จะไม่มีเพราะว่าไม่เห็นทุกชัดเจนนะ น, นั่นในแง่นี้ก็คือว่า ความแก่มันทําให้ทุกกายมันเป็นเรื่องความทุกข์กายแต่ไม่ได้แปลว่าทุกข์ใจด้วยที่จริงคําว่าแม้แก่แม่เกิดก็เป็นทุกข์แม้แก่ก็เป็นทุกข์แม่ตายก็เป็นทุกข์เนี่ยคําว่าทุกข์ในที่นี้มันไม่ได้แปลไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนาอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ก็หมายความว่าเป็นมันแสดงถึงสภาวะที่ คล่องที่ไม่สมบูรณ์ที่มีความขัดแยง้งนะคําว่าทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายทั้งย่าง่ที่เป็นทุกขเวทนาหรือว่าความความไม่สบายกายไม่สบายใจอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงสภาวะที่มันทนอยู่กับของเดิมไม่ได้ที่มันเต็มไปด้วยความขัดแยง้งบีบคั้นนพะร่อง อันนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมน ะ, ะนนเสาเนี่ยก็เป็นทุกข์ได้นะเสานี่ก็เป็นทุกข์ได้หรือว่าหลังคากระเบื้องมุม น, นี้ก็มันเป็นทุกข์นะหรือเป็นตัวทุกข์นะแต่ทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แต่ว่า มีทุกขเวทนาหรือว่ามีความเจ็บความปวดแต่หมายถึงสภาวะที่มันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ก็ต้องเสื่อมสลายไปเนี่ยให้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายมันทุกข์เนี่ยก็ยังมีความหมายถึงว่าเนี่ยไอสังขาร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเสื่อมสลายไป ความเสื่อมที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าแก่เราก็เรียกว่าเจ็บป่วยและพอแตกดับไปเราก็เรียกว่าตายแต่หากว่าหินมันผุพังไปหรือว่ามันกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นทรายกลายเป็นดินเราก็ไม่เรียกว่าตายเมฆที่ก่อตัวขึ้นแล้วก็หายไปพอกลายเป็นฝน ก็ไม่เลียว่าตายแต่ว่ามันก็เป็นทุกขครังเหมือนกันเหมือนกับร่างกายนี้ในยางที่แตกดับอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาแล้วไม่ทุกข์ก็ได้นะใจไม่ทุกข์ก็ได้แก่แล้วเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้หรือไม่จะตายเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้มันมีโอกาสอยู่แต่โอกาสนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองนะมันต้อง มันต้องทำํำนะพวกเราก็คือต้องฝึกนะต้องฝึกต้องฝึกฝนในแง่หนึ่งเราก็พยายามที่จะประคับประคองร่างกายไม่ให้แก่เร็วไม่ให้ป่วยเร็วป่วยแล้วก็ต้องรักษานะอันนี้ก็เป็นเรื่องการกินอาหารการบริหารร่างกายเรื่องการใช้ชีวิตการหลักการนอนนะ อันนี้ก็ต้องทําไปนะแต่ขครโดยกันก็ต้องฝึกใจด้วยฝึกใจเพื่อที่จะไม่ไม่ไม่ทุกข์ในยามที่มันป่วยในยามที่มันเจ็บในยามที่มันแก่เสื่อมรวทั้งในยามที่มันแตกดับคือตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําทําทั้งสองส่วนหน้าที่ส่วนกายก็ทําไปในหน้าที่ส่วนใจนี้ก็ต้องทําเหมือนกัน ผู้คนส่วนใหญ่ก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าที่ส่วนกายคือว่าหาเงินหาทองเพื่อจะได้มีเงินมาดูแลร่างกายมาทําความสะดวกสบายกับร่างกายเมือ่อจะเป็นอาหารอาหารที่ดีอร่อยหรือว่าเสื้อผ้าที่ช่วยประดับประดาร่างกายไม่ใช่แค่เพื่อ ช่วยป้องกันความทุกข์เท่านั้นแต่ช่วยประดับประดาด้วยมีบ้านหาเงินมาซื้อบ้านผ่อนบ้านซื้อรถยนต์เพื่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกายเวลาไปทำงานหรือเวลาไปไหนมาไหนส่วนใหญ่นี่เราไปไปสนองนะส่วนร่างกายซืเยอะนะแต่ว่าใจก็มองข้ามหรือว่า ไปสนองกิเลสมากกว่านะไม่ให้สนองหรือช่วยเหลือเกื้อกูลพัฒนาจิตใจของบางอย่างซื้อมาไม่ได้ไม่ใช่เพื่อว่ามันสะดวกสบายให้ความสุขสบายทางกายแต่ว่ามันมันทำให้เกิดความสิว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นคนทันสมัยอเนี่ยสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยที่อุตส่าห์ไปซื้อกันมา เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยหรือรองเท้าราคาแพงเนี่ยไม่ใช่ว่าเพอมันสายรถนิ่มสายลถวิ่งได้ไวแต่พะมันพนอัตตาว่าทำให้ฉันรู้ว่าฉันเท่ฉันเป็นคนทันสมัยฉันเป็นคนอ่ฉันเป็นแมนอันนี้มันเป็นการตอบสนองจิตใจได้เหมือนกันนะไม่ได้ตอบสนองร่างกายเท่าไหร่แต่ว่ามันไปสนองกิเลสมากกว่า ถึงเวลาต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปของของเรานั้นมันเสื่อมสลายไปก็ทุกข์ใจทุกข์กายไม่ได้ทุกข์นนะเวลาของหายนะกายก็ยังเหมือนเดิมแต่ใจนี่ทุกข์หรือว่าของมันอเสื่อมไปตกรุ่นไปพอใช้มันก็รู้สึกอับอายไม่เท่ไม่ทันสมัยนี่ก็ทุกข์ใจ เรื่องการฝึกใจ จ, จริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ได้ใส่ใจกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาแก่ก็ดีเจ็บก็ดีพัดพรากก็ดีตายก็ดีก็เลยทุกทรมานมาก้เรื่องการฝึกใจนี่มันก็นะฝึกใหนะ้ให้เห็นความจริงให้เห็นความจริง ไม่ใช่ของอะไรนะเห็นความจริงของกายและใจเห็นความจริงของกายและใจว่ามันมันไม่เที่ยงนะมันแปลป่วนมันแปลเปลี่ยนอยู่เสมอแล้วก็เห็นความจริงของใจเห็นความจริงของทุกข์ด้วยนะว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรอทุกข์กายนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ทุกข์ใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ จะว่าไปแล้วเนี่ยมันแก้ได้ง่ายที่สุดนะความทุกข์เพราะหิวความทุกข์เพราะป่วยเนี่ยโอมันต้องใช้เวลานะแต่ดอมบัดความหิวนี่ก็ต้องไปทําครัวสมัยก่อนก็ต้องไปหาไปเข้าป่าล่าสัตว์นะหรือว่าไปหาอาหารมาได้มาแล้วก็ต้องทําครัวมาปรุงแต่งเป็นอาหารใช้เวลานา น, านแต่ความทุกข์ใจนี่จริงๆแล้วมัน มันแก้ได้ง่ายนะคือมันใช้เวลาไม่นานก็คือการปล่อยการวางเพราะว่าไอ้ที่ทุกนเนื่องจากไปยึดเอาไว้ของมันหายไปแล้วของมันสูญเสียไปแล้วก็ยังก็ยังนึกถึงมันใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ทาให้เกิดความเศร้าโศกเกิดความอะไรแต่ถ้ามันเป็นคำพูดที่ อที่รุนแรงหยาบคายหรือคำต่อว่าดาทอพอเก็บเอามาคิดมันก็เปิดความโกรธแค้นะแต่ก็ไม่เคยได้ถามตัวเองว่าเราเก็บเอามาคิดทำไมทำไมไม่ปล่อยไม่วางมันซะนะลองดู้ทุกใจเนี่ยไม่จะเป็นความเศร้าความโศกความเสียใจความอาลัย คือไม่ไต่ความเบื่อมันเป็นเพราะใจที่ไปยึดเอาไว้ในสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วหรือบางครั้งก็เป็นอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงความทุกข์ทั้งมวลนะถ้าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องความยึดติดนะหลวงพ่อชาท่านสศปง่ายๆนะทุกมีพยึด ทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะทุกมีเพราะยึดนะอันนี้ท่านเล็งหมายถึงทุกใจนะมันยึดนะเวลาเวลาเรากังวลเราหนักใจนี่เป็นเพราะเราไม่ปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงนี่ที่ยังไม่ได้ผ่อนนี่ที่ยังไม่ได้ใช้การงานที่ยังไม่ได้สะาสม รออยู่เป็นสิบชิ้นก็ว่าได้พอแค่ทุกข์นันแหละใจก็หนักอึ้งขึ้นมาเลยทอ้อยังไม่ทันจะทำเลยก็แพ้แล้วนะคือทอ้อไม่มีเรื่องไม่มีแรงจะทำเพราะางานมันเยอะเนะี่ยอันนี้เรียกว่าไปใจมันไปยึดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคืออนาคต บางที ท, ทําไปทําไปก็ใจก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เสร็จสักทีคิดแต่ว่าเนี่ยคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะไอ้เสร็จนั่เป็นเรื่องอนาคตเอามาเอามาชึ้ น, ข, นขึ้นคิดมาวิตกกังวลทําไมแทนที่ใจเราอยู่กับปัจจุบันนะจริงๆความทุกข์ของคนเราเนี่ยถ้าหาว่าวางอาดีตวางอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะคลายความทุกข์ใจไปได้เยอะนะ หลวงพ่อเขียนเวลาเวลาท่านเดินเดินทางไปกับโยมเดินทางไกลเข้ากรุงเทพบางทีโยมก็ก็เครียดนะขับรถไปก็เครียดเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงหลวงพ่อก็อยากเตือนว่าเนี่ยมันถึงต่อเมื่อมันถึงนอ่พูดอย่างนี้เพื่อให้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อไหร่จะถึงขับไปให้ดีๆก็แล้วกันขับไปไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ถึง หรือว่าถึงช้าถ้ายายถึงไวๆก็ต้องขับดีๆขับดีๆคือใจต้องอยู่กับปัจจุบันใส่ใจอยู่กับการขับรถหลายคนเวลาทำงานก็กังวลว่างานจะออกมาดีไหมทำไปก็นึกกังวลไปมันจะดีไหมออกมาเป็นยังไงคนก็จะเขาจะว่าอย่างไรออกมาก็เลยเครียดก็กลายเป็นว่าเลย เลยทํางานชิ้นนั้นไม่ดีเพราะความเครียดแต่ถ้าลองเอาใจอยู่กับงานถ้าอยากให้งานมาันดีก็ต้องก็ต้องเริ่มต้นที่การทําการมีสมาธิกับงานนั้นประกอบเหตุให้ดีเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่กับงานที่กําลังทําในขณะนั้นหรือในขณะนี้ถ้าใจอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ทําเต็มที่นะมันก็ย่อมดี ถึงแม้ไม่อยากจะให้มันดีนะหรือไม่มีความคาดหวังว่ามันจะดีหรือไม่ได้สนใจมันจะดีหรือไม่แต่มันก็จะออกมาดีเอง <Yeah. S 1> ผลมันขึ้นอยู่กับเหตุนะไม่เคยไม่ได้อยู่ที่ความคาดหวังของเรา <Yeah. S 1> คนไปเข้าใจว่าหรือคนลืมความจริงข้อนี้ไปนะว่าผลอยู่ที่เหตุนะไม่ใช่อยู่ที่ความหวังของเรา <Yeah. S 1> ผู้เจ้าเคยตรัสว่า yeah. ไข่เนี่ยนะถ้าหาว่าแม่ไก่ฟักเนี่ยนะถ้าฟักสม่ำเสมอทุกวันนะไม่นานก็ออกมาเป็นตัวการที่ลูกเจ๊บออกมานะฟักออกมาเป็นตัวนี่มันไม่อยู่ที่ความปรารถนาหรือความคาดหวังของแม่ไก่เลยบางทีแม่ไก่ไม่รู้ด้วยมันทำไปตามสัญชาตญาณนะมีไข่มันก็ฟักนะถ้าฟัก ได้สม่ำเสมอนะต่อเนื่องเดี๋ยวลูกเจียบก็ออกมาเองอันนี้เร้ ว, ว่าผลเกิดจากเหไม่ใช่เกิดจากความคาดหวังเคยมีเรื่องเล่านะหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเคยไปทุ ด, ดงท่านชอบทุ ด, ดงมากทางภาคเหนือครันหนึ่งก็ไปที่ไปถึงดอยแห่งหนึ่งที่แถวเชียงใหม่ ท่านก็เห็นว่ามันมีบริเวณที่รื่นรมสงบสงัดก็ก็ก็เลยพักที่นั่นหนูว่าครั้งจะไปกับอาจารย์เทพพระอาจารย์เทพเทลังสีไปกันสองรูปบริเวณที่ท่านปักกรดนั้นก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านชาวเขาเนะประมาณสักกิโลสองกิโลพอที่จะบิณฑบาตได้ชาวเขาที่นั่นเนี่ย ไม่ไม่ค่อยได้รู้จักพระนะอาจจะรู้ว่านี่คือพระแต่ว่าไม่ค่อยได้รู้ทำเนียมอะไรเห็นพระถือบาตรเข้าไปในบ้านก็ถามว่ามาทําอะไรหลวงปู่มั่ก็ตอมาบินทบาทมาบินทบาทข้าวเขาก็ถามเป็นข้าวสารเอาเข้าสุกหรือว่าข้าวสารทั้งแต่ว่าเข้าสุก้าเขาก็แล้วข้าวสุวกาาสมาให้แต่ไม่มีกลับเลยมีแต่ข้าสุกทั้งนั้น นะก็อาจเป็นว่าหลายวันกินแต่ฉันแต่ข้าวสุกนะไม่มีกับข้าวเลยเลยแต่ในช่วงนั้นก็มีชาวบ้านหลายคนเขาระแวงนะเพะว่าเนี่ยพระสองลูกนี่มาทําอะไรในะในป่าลึกก็มีการลือทั้งว่าถ้าเป็นเสือเย็นนะเสือเย็นนี่ก็คือคล้ายๆเป็นเสือสมิงอันนะนะปลอมตัวเป็นคนที่จะจับชาวบ้านไปกิน ก็เลยมีการประชุมชาวบ้านกันแล้วก็มีคําสั่งว่าอย่าไปเด็กเด็กแล้ผู้หญิงนี่อย่าไปเข้าไปใกล้ๆ้าทานั้นน่าจะโดนโดนเสื้อเย็นกินได้ผู้ชายก็เหมือนกันนะถ้าจะเข้าไปนี่ก็ไปกันหลายคนต้องมีอาวุธพร้อมมือด้วยอาวุธครบมือเสร็จแล้วก็มีการตกลงกันให้ส่งคนไปสังเกตการ์ดไปสังเกตการ์ดดำๆมองๆดู ว, ว่าทําอะไร หลวงปู่มั่นทั้งกรู้หนะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดตกอะไรท่านก็บําเพ็ญกิจของท่านนะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะชาวเขานี่มาด้อมมองมองเห็นก็แปลกใจหลวงปู่มั่นทํำอะไรนะเดินกลับไปกลับมาทั้งวันเนะี่ยลองจะเฝ้าดูมาก็ไม่เห็นว่ามีพฤติกรรมอะไรที่น่ากลัว มีแต่ความสงสัยว่าหลวงปู่ม่านทําอะไรนะกับอาจารย์เทศเดินกลับไปกลับมาบ้างนั่งบ้างไม่ทําอะไรเลยนอกจากนี้ตอนหนึ่งก็เลยมีคนกล้านไปถามตอนนี้ความกลัวลดลงแนละ้วเพราะไม่เห็นว่าทําอะไรที่น่ากลัวแต่มีแต่ความสงสัยก็เลยไปถามว่าเนี่ยตูเจ้าทําอะไรนะตูเจ้ากำลังหาอะไรเห็นเดินกลับไปกลับมาทั้งวัน หลวงปู่ก็ตอบว่าพุทโธเราหายนะเรากำลังตามหาพุทโธชาวครานั้นก็พาซื้อก็ถามว่าพุทโธเป็นยังไงนะตังก็ที่ว่าพุทโธเป็นดวงแก้วใสนะพระองสอพุทโธมันดียังไงนะเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมเจ้าหลวงปู่มกแต่ว่าเห็นสินะไม่งั้นมันจะประเสริฐได้อย่างไร เราจํายังไงเราจะช่วยหาเราช่วยตูเจ้าหาพุทธโธได้ไหมตองต่อว่าได้ถ้าถ้าสูนี่ตนี้เรียกว่าสูถ้าสูช่วยหาก็จะพุทธโธก็จะเจอเร็วขึ้นจะทำยังไงหลวงปูม่มากก็แนะนำก็เวลาเดินนะก็ให้นึกไปด้วยพุทธโธหรือท่องพุทธโธในใจนะ ทำนานเท่าไหร่ถังจะเจอนะ้บอกประมาณสิบสิบห้านาทนะีทำไปเดี๋ยวก็นึกถึงพุทธโธบ่อยๆเดี๋ยวพุทธโธก็จะมาเองน่ชาวเขาก็เชื่อนะก็ลองไปทำบ้างนะที่จิตตั้งใจจะช่วยหาพุทธโธให้หลวงปู่มั่นนะอันนี้ก็เรียกว่ามีความปรารถนาดีทำไปทำไปไม่กี่วันนี่ปรากาจิตสงบเลยนะ หัวหน้าชาวเขาเนี่ยที่มาถามหลวงปู่ ม, มั่นหลวงพุโทโธเนี่ยแกทําไปทําไปไม่กี่วั น, นสองสามวันแกจิตแกก็สงบสงบแล้วก็สูดว่าเห็นนิมิตรปา่าท้องป่ามาสว่างเลยนะก็แปลกใจทั้งแปลกใจทั้งดีใจก็เลยมามาเล่าใหลวงปู่ ม, มั่นฟังเพราะว่าท่านฝันด้วยว่าหลวงปู่ ม, มั่นเอาแสงสว่างมาให้เขาท่าก็เน้นําเพิ่มเติม แล้วก็ทํำนะทํำไปาะว่าไม่กี่วันสามารถที่จะจิตเนี่ยสามารถจะอย่างรู้วาลจิตของคนอื่นได้อย่างรู้วาลจิตของเพื่อนบ้านของของคนในหมู่บ้านแล้วก็เห็นทั้งวาลติของปู่มา้านว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นสว่างสวยัยไรไล้ไร้มนทินเลยนะก็ยิ่งศรัทธานับถือมากขึ้น ตอนหลังกลายเป็นว่าชาวคาทั้งหมู่บ้านก็ตามหาพุโทโธกันใหญ่เลยนะก็กลายไปว่าจากเตือนที่หวาดระแวงลงปู่ ม, ม่านก็กลายเป็นศรัทธาเตือนที้ท่านกล่าวว่าจะอยู่ที่นั่นสักไม่กี่วันก็กลายไปว่าอยู่เป็นปีเลยนะสอนทำแล้วก็สอนทำให้ชาวลรา น, นั้นแล้วก็จำพรรษาด้วยเรื่องนี้มันก็น่าคิดนะว่า นชาวเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําดว่าเขากาลังทําสมาธิภาวนาเขาไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าเขากาลังทําสมาธิเขาไม่ได้มีความคิดในหัวเลยว่าเขากําลังปฏิบัติธรรมเขาคิดแต่เพียงว่าเขาเขาเข้าใจว่าเขากําลังหาพุทโธให้หลวงปู่มั่นแต่โปรว่าเขาก็ได้ผลของการปฏิบัตินภายในเวลาที่รวดเร็วมากความสงบเนี่ยมันจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ ไอ้ส่วนการถ่ายดูรวละติ๋งคนมันก็เป็นเรื่องของของสมาธิของอํานาจจิตนะที่เกิดจากสมาธิมากๆซึ่งมันก็ในทางวิทยศาสตร์ก็ไม่ใช่ศาลลาของการปฏิบัติเป็นผลพลอยได้นะแต่ว่ามันก็แล้วก็น่าคิดนะว่ า, ท, าทั้งที่คนทำนี่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาทาสมาธิแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าทําแล้วจะสงบเพราะเขาไม่ได้คิดว่า เขามาปฏิบัติธรรมเขาเพียงแต่อยากจะหาพุโทโธให้เจอนะช่วยหลวงปู่มั่นการที่บางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมมาโอ้ยอยากจะได้นั่นได้นี่ทำเป็นปีก็ไม่เจอแม้กระทั่งความสงบมันจึงเห็นว่าสมาธิภาวนาเนี่ยผลของสมาธิภาวนาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังนะ มันไม่จะเป็นต้องแม้กระท่่งเจ้าตัวแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าวางใจถูกนะวางใจถูกนะก็คือจิตมันอยู่กับจิตอยู่กับการเดินจิตอยู่แล้วมีบริกรรมผูกเอาไว้เดินไปก็นึกถึงพุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่วอกวาไปไหนเดี๋ยวจิตก็สงบเองมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นกฎของจิตนั่แหละจิตนิยาม กฎธรรมชาตินี่มีหลายมีหลายมีหลายมิติมิติหนึ่งได้เป็นเรื่องของจิตก็เรื่อจิตตณียามถ้าเป็นเรื่องการกระทำก็เรื่องกฎแห่งกรรมนี่คนเราเนี่ยถ้าเราวางจิตถูกนะแม้ว่าจะไม่ได้คิดเลยว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่ได้คาดหวังความสงบแต่ว่าความสงก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าปฏิบัติถูกวางใจเป็น ไม่ยังเป็นต้องรู้พุทธศาสนาไม่ยัาเป็นต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเลยก็ได้หรือไม่ยังป็นต้องมีศรัทธาในในผู้สอนหรือหลวงปู่มั่นนะถ้าวางใจถูกท่านั่งที่คิดว่าเป็นการตามหาพุทธโธนะไม่ได้รู้ว่าเป็นการทําสมาธิเลยแต่ว่าผลของสมาธิยังเกิดขึ้นนะการปฏิบัตินในในเรื่องการฝึกจิตเนี่ยนะ มันเป็นวิธีการที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคาดหวังใดๆทั้งสิ้นนะแต่มีอยู่ที่ว่าทำถูกไหมที่เมื่อกี้เราสวดว่าเนี่ยผู้ใดปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนี่เป็นเป็นคําที่สำคัญนะในในเรื่องการปฏิบัติของพุทธศาสนา คือปฏิบัติท้าไม่สมควรแก่ทำรรหรือปฏิบัติรูปแบบถูกแต่ว่าวางใจผิดก็ไม่เกิดผลนะอ่เนะช่นใส่บาตรถวายพระใส่ตักข้าวใส่บาตรนะอันนี้ก็เรียกเป็นการทําบุญเรียกเป็นทานนะแต่ถ้าวางใจผิดนะไม่คิดว่าเออทำแล้วจะได้โน่นได้นี่นะทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าทําแล้วจะได้มีหน้ามีตา ไอ้ความสงบในใจนะมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะเพราะว่าการให้ทานเนี่ยจุดหมายคือลดความตนีลดความโลนอะไนี้นะการให้ทานเนี่ยแต่ถ้าวางใจผิดก็คือทําแล้วอยากได้โลนไดน้เนี่ยไอ้อา น, นิสงค์ของทานนก็เกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นได้ยากอา น, นิสงส์ที่ว่าคือจิตผ่องใสใจเ บ, บิกบานนะ หรือว่าเข้าใกล้พันิชภานนะถ้าวางใจผิดก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมรูปแบบถูกนะนะเอาข้าวตักใส่บาตรนะถอดรองเท้าใส่เสร็จ ก, ก็กราบหรือไหว้นะถูกหมดเลยนะแต่ใจมันวางไว้ผิดอนะันนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมหรือว่ารักษาศีลเนี่ยก็ ทำเพื่ออวดคนเพื่อโชว์แถมยกยกตนขนท่ามด้วยอันนี้อา น, นิส ง, งส์ของศีลก็จะเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าถึงแม้ปฏิบัติถูกครบรูปแบบนะศีลห้าครบนะแต่ว่าใจวางไว้ผิดนะมันก็เกิดอา น, นิสงส์น้อยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแกททำนะเดินจงกรมนะแต่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาจิต เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบนะเดินแไปก็คิดแต่แค่นี้หรือว่าพยายามบังคับจิตบังคับจิตเพื่อใมาสงบพยายามหยุดความคิดให้ได้บังคับจิตไม่ให้คิดเนะี่ยเพราะในใจลึกๆมันอยากจะเอาอยากจะได้ความสงบอันนี้ก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งห่างไกลจากความสงบใหญ่ก็เรื่องปฏิบัติไม่ถูกต้องนะรูปแบบถูกหมดเลยนะเดินสามเดินจงกลมสามเมตรนะ แล้วก็แถมยังใส่รุ่งขาวข่มขาวด้วยนะก่อนก่อนเดินก็ไหว้พระสวดมนต์อนะ่านะเรียกว่าตั้งกรรมฐานนะรูปแบบดีหมดนะแต่ว่าวางใจผิดนะมันก็ไม่เกิดความสงบตรงข้ามกับคนที่ไม่มีรูปแบบอะไรเลยนะอย่างช า, าวเขาเนี่ยไม่มีรูปแบบอะไรเดินไปกลับไปกลับมาหาพุทโธ ร, ระหว่างที่เดินก็ ใจก็โยกพุโทโธนึกแต่คําพุโทโธพุธโทโธตามที่หลวงปู่มันนะ่นแล้วเดี๋วสงบเองนะไม่อยากจะสงบแต่มันก็สงบเพราะว่าเทตปัจจัยมันถึงพร้อมเหมือนกับแม่ไก่นะถ้าฟักไข่เนี่ยถึงแม้ไม่อยากจะให้ลูกเจีย๊ยบออกเพราะไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่ามันคืออะไรแต่ไม่นา น, นลูกเจี๊ยก็ออกมาเองมันเป็นกฎธรรมชาติไงงั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะมันถ้าเราวางใจถูกเรื่องการปฏิบัติธรรม มันก็กลายเป็นของที่ง่าย